สิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อรับบินทบาทโดยไม่เคารพในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา